ถวายวิสัชนาสมเด็จพระบรมราชนีนาถคราวหนึ่งไปที่หัวหินมีรับสั่งให้ไปสนทนาธรรมโดยเฉพาะเข้าไปสู่ที่เฝ้าในหลวงก็รับสั่งว่าคราวนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของสมเด็จพระบรมราชนีนาถเป็นผู้เรียนถามพอได้เวลา สมเด็จท่านก็เริ่มต้นด้วยโครงการศิลปาชีพของพระองค์โดยทรงปรารภขึ้นมาว่าดิฉันไปแนะนำให้ชาวบ้านเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบาปไหมพระบางองค์ท่านบอกว่าขอบินทบาศเสียมันเป็นบาปพระคุณเจ้าจะเห็นว่าอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ถวายพระพรท่านตอบว่าบาปหรือไม่บาปก็เลยถวายเป็นกลางๆไปพระมหาบพิ เป็นผู้ทรงดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นพระมารดาของปวงชนหน้าที่การอบรมสั่งสอนถ้าผู้ที่เป็นมารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้กุลบุตรกุลธิดาได้รู้จักการประกอบการธรมาหาเลี้ยงชีพอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนไปตามแนวทางที่คิดว่ามันเป็นการถูกต้องเช่นอย่างทรงแนะนำให้เขาปลูกหมอนเลี้ยงไมก็เป็นคาแนะนาอันหนึ่งในเมื่อเขาทาลงไปแล้ว เขารู้จักเอาประโยชน์ของเขาเองปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าอย่าไปช่วยเขาต้มตัวหม่อนตัวใหม่ในหม้อน้ำร้อนท่านก็รับสั่งว่าอย่างนั้นไม่เคยทำถ้าไม่เคยทำก็ไม่เป็นบาปแค่แนะนำให้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้พอเขามองเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้เขารู้จักเอาประโยชน์ของเขาเองอตมาภาพขอถวายพระพรว่าไม่เป็นบาป เช่นเดียวกับอัตมาภาพเป็นนักเทศไปเทศที่ไหนใครต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันให้ยึดหลักธรรมสี่ข้อเป็นหลักปฏิบัติข้อที่สำคัญที่สุดก็คืออุทถานสัมปทาจงหมั่นขยันในการประกอบการทามาหาเลี้ยงชีพทีเนี้ยเผื่อว่าเวลาไปเทศที่ไหนคนที่มาฟังเทศมีข้าราชการตำรวจทหารพ่อค้าประชาชน ในจำนวนคนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอาชีพต่างๆกันและในจำนวนคนเหล่านั้นแหละบางทีอาจจะมีมหาโจรที่จกะกาบที่สุดมาร่วมฟังเทศอยู่ด้วยในเมื่อเขาฟังเทศอัตมาภาพแล้วว่าให้มันขยันในการประกอบอาชีพตามหน้าที่ของตนเองเผื่อว่ามหาโจรเขาเกิดความเลื่อมใสนักจี้นักปล้นขยันจี้ปล้นคนลักเล็กขโมยน้อยก็ขยันมากขึ้น คนขี้ช่อขี้โกงก็เพิ่มการโกงการขี้ช่อมากขึ้นสงสัยว่าอัตมาภาพจะตกนรกตายเลยในหลวงทรงพระสวนออกมาเลยทรงพระสวนเสียงดังกล้องจนดังลงมาถึงข้างล่างพอถึงเวลาเขาเตือนไว้ว่าเวลาเสวยพระกรยาหารสามทุ่มครึ่งพอดูนาฬิกาสามทุ่มก็เลยถวายพระพรลาพอลงมาข้างล่าง พวกองค์ครักษ์ทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างต่างก็รุมถามกันมาไปจี้เส้นในหลวงอย่างไรถึงได้ทรงพระสว่วนออกมาอย่างแรงไม่เคยมีนะในประวัติศาสตร์ตอนนั้นไปสนทนาอยู่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนกระทั่งถึงสามทุ่มใช้เวลาสองชั่วโมงไม่ทราบว่าพูดอะไรบ้างจำไม่ได้จำได้แค่ตรงเนี้ย